แก้อาการห่วงช่วยแล้วจะได้อะไรอาภัยแล้วจะได้อะไรผู้ตีแล้วจะได้อะไรให้เปล่าแล้วจะได้อะไรและซื้อสัตว์แล้วจะได้อะไรคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าไม่ได้อะไรแล้วจะทำไปทำไมคนอีกส่วนหนึ่งคิดว่าทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะ คนส่วนน้อยคิดว่าทำเถอะทำแล้วได้ชีวิตดีๆมาชีวิตหนึ่งกรรที่กระทำเป็นประจำมีผลให้คุณมีตัวตนเป็นอะไรอย่างหนึ่งก่อนตายความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ให้มีผลมากกว่าการมีความสุขเป็นครั้งๆกล่าวคือแม้อยู่ว่างๆในช่วงปลายๆของชีวิตแล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า ตัวเองเป็นใครเกิดมาทาไมอย่างน้อยก็ตอบถูกอยู่ในใจรู้อยู่เฉพาะตนว่าคุณเป็นจิตวิญญาณที่มีความสว่างไม่ใช่มาครองร่างมนุษย์ชั่วคราวเพื่อรู้จักเอาแต่เข้าตัวกอบกลอยสมบัติบ้าเข้าสู่ชีวิตออกฟางไร้ราคาเข้าหาความตายในวันใกล้ตายความคิดทำนองให้คือเสียเปรียบ รับคือได้เปรียบหรือซื่อคือโง่เจ้าเลขคือฉลาดจะไม่อยู่ในหัวของคุณเลยเพราะสุดท้ายจะพบว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆคือจิตดีๆความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตดีๆเพื่อจะได้จากไปดีๆเท่านั้นแกห่อเหี่ยว ความห่อเหี่ยวหรือหดหู่ใจเป็นอาการที่จิตขาดความสดชื่นแม้มีร่างกายแต่ก็เหมือนหมดแรงใจจะทำอะไรการหมดแรงใจทั้งที่ยังมีแรงกายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประทานเมื่อไม่มีใจอย่างเดียวความรักหรือความสัมพันธ์ใดๆก็ไปไม่รอดกิจการงานใดๆก็สำเร็จลุล่วงไม่ได้ หรือแม้กระทั่งชีวิตทั้งชีวิตก็อยู่ไม่ไหวความหอเหี่ยวหรือหดหูใจอาจปรากฏในหลายรูปแบบความน้อยใจก็ใช่ความเบื่อหน่ายก็ใช่ความวกวนคิดไม่ดีก็ใช่ความอ่อนล้าจากการต้องทนอดกลั้นก็ใช่ความทรมานสุดบรรยายจากความรู้สึกผิดก็ใช่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนของความห่อเหี่ยวจะมีอยู่ก็เพียงแค่สองระดับใหญ่ๆระดับที่หนึ่งคือห่อเหี่ยวจนจมอยู่กับความคิดว่าไม่มีทางแก้ความห่อเหี่ยวขั้นนี้มักให้ความรู้สึกเหมือนมือเท้าถูกล็อกตายไม่อยากมีแกจิตแกใจขยับเ ข, ขยื่อนไปไหนนึกว่าเยียวยาอย่างไรก็ไม่หาย เพื่อแก้ทางให้คิดว่าน้ำยอกต้องเอาน้นาบบงในเมื่อกายมันไม่อยากขยับก็ออกกําลังกายให้เกิดการขยับสุดฤทธิ์ไปเลยโดยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนทุกครั้งที่ออกกําลังกายว่าคุณจะออกกําลังเพื่อทำลายความคิดแย่ๆให้ได้เมื่อเหล่งไวเช่นนั้นยิงเคลื่อนไหวยิงกระปรี้กระเป๋า คุณก็จะยิ่งเห็นความคิดความเชื่อแย่ๆละลายหายเหมือนเคาะสนิมที่เกระกลังหนาเตอะหลุดร่วงเป็นกระบิดเห็นจะจะทันตาทันใจระดับที่สองห่อเหียวแบบยังคิดอยู่ว่าน่าจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้ห่อเหียวแบบเนี้ยแค่ฝึกหายใจให้สดชื่นก็พอวิธีหายใจให้สดชื่น คุณต้องฝึกหายใจสองครั้งครั้งแรกหายใจยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความระลึกถึงความจริงที่ว่าลมหายใจคือความสดชื่นกายสดชื่นใจจากนั้นให้พักเงี ย, งยบๆรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งที่สองหายใจเพื่อสังเกตว่าลมที่สอง สดชื่นมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าลมแรกปล่อยให้ลมเข้ามาตามธรรมชาติอย่าเร่งรีบอย่าฝืนบังคับแล้วสํารวจความรู้สึกตามที่มันเป็นไม่หวังว่าจะรักษาหรือเพิ่มความสดชื่นใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าความสดชื่นซึ่งปรากฏในลมหายใจที่สองจะเท่าเดิมจะมากขึ้นหรือจะน้อยลงคุณจะพบสิ่งหนึ่ง คือจิตใจกลับฟื้นฟูสติความห่อเหี่ยวน้อยลงอย่างน่าประหลาดใจนั่นเพราะจิตเปลี่ยนจากอาการจมอยู่กับความห่อเหี่ยวมาเป็นเห็นความไม่เที่ยงของความสดชื่นแทนซึ่งให้ความรู้สึกดีทำนองเดียวกับรู้สึกว่าตัวเองหล่อหรือสวยน้อยลงไม่ใช่น่าเกลียดขี้ริ้วขี้เหร่ชวนเมินหรือทำนองเดียวกับรู้สึกว่าร่ารวยน้อยลง ไม่ใช่ยากจนค้นแค้นเกินจะรับเมื่อฝึกหายใจสองครั้งให้ได้ทุกครั้งที่ห่อเหี่ยวจะเหมือนคุณมีกำลังวิเศษหนุนหลังจะตกแล้วไม่ตกจริงจะเหี่ยวแล้วไม่เหี่ยวจริงทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมมากมายนี่คือหลักฐานยืนยันว่าความห่อเหี่ยวครอบงำคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ก้มหน้าก้มตาปล่อยให้มันครอบงา แก้ซึมเศร้าความซึมเศร้าเป็นบทลงโทษสำหรับคนที่เอาช่วงสมองดีที่สุดของวันไปใช้ในการคิดเรื่องยากที่สุดของชีวิตมนุษย์ทุกคนตื่นเช้ามากับการเปิดสมองใหม่ธรรมชาติของการหลับนอนช่วยรีเซ็ตอะไรๆที่ยุ่งเหยิงให้กลับเข้าที่เข้าทางถึงแม้จะยังรู้สึกหนักๆเพราะยังมีเรื่องค้างค้างคาใจ อย่างไรก็เป็นจังหวะที่ปลอดโปร่งที่สุดเท่าที่จะมีได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเอาสมองไปคิดเรื่องดีๆได้ชีวิตวันนั้นก็ดีได้หรืออย่างน้อยก็ดีกว่าเมื่อวานได้วิธีง่ายๆที่จะป้องกันตัวจากโรคซึมเศร้าคือตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าถึงเวลาตื่นเช้าก่อนลืมตาขึ้นมาจะให้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดบรรจุอยู่ในหัว เช่นจะนึกถึงวิธีแก้ปัญหาที่ติดค้างจะนึกถึงท่ากายบริหารหรือจะนึกถึงลมหายใจยาวๆอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าในหัวที่ดึงคุณจมลงสู่ห้วงน้ำแห่งความปดหูถ้าเตรียมไว้ลวงหน้าคุณจะพบว่ามีเรื่องที่เตรียมไว้ปรากฏขึ้นในหัวจริงๆราวกับอุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมไว้ก่อน และพิเศษไปกว่านั้นคือคุณกำหนดรายละเอียดล่วงหน้าไว้อย่างไรร่างกายและจิตใจก็จะตอบสนองให้แบบสั่งได้เสียด้วยยกตัวอย่างเช่นคิดไวลวงหน้าก่อนนอนว่าจะตื่นขึ้นพร้อมกับการหายใจทั่วท้องสายลมยืดยาวมีความสุขสดชื่นพอรู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายจะผ่อนคลายขยายหน้าท้อง ปรับสายลมยาวนิ่มนวลสบายไปทั่วตัวปราบกับยืนสุดอากาศบริสุทธิ์อยู่บนยอดเขาสูงวันแรกๆอาจสุขนิดหน่อยแต่ยิ่งร่างกายและจิตใจตอบสนองเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเท่าไหร่วันต่อๆมาจะยิ่งสุขเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นยิ่งนานไปคุณจะยิ่งอยากตื่นขึ้นมาพบกับความสดชื่น แนการกลัวจะต้องตื่นขึ้นมาพบกับความห่อเหี้ยวหรือโลกมืดมนดังเคยขอให้คิดว่าเช้าวันใหม่คือโอกาสรับพลังใหม่ๆคุณจะพบว่านี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เป็นของจริงจับต้องได้สะสมเพิ่มได้เรื่อยๆเมื่อตื่นขึ้นมากับลมหายใจสดชื่นได้ทุกวัน คุณจะย้อนกลับมาเห็นว่าความกดหู่ห่อเหี้ยวนั้นเกิดจากโรคมโนผิดเอาแต่คิดถึงแง่ลบแง่ร้ายแต่เช้าพอสลับขั่วเปลี่ยนทุกเช้าให้เป็นพลังบวกก็จะมีกำลังใจเข้มแข็งได้ฮึกเหิมเหมือนคนกำลังจะไปเที่ยวสวนสนุกแทนความอยากแฟบฟุบเหมือนคนกำลังจะต้องนอนตายก็ไม่ปาน